เอาตอนนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่ออินจะพูดอะไรให้ฟังพวกศรัทธาญาติโยมก็คงจะไม่เคยเห็นหลวงพ่อวัดปานาคำน้อยหลวงพ่ออินถวายวัดปานาคำน้อยขึ้นมาทํามาจอย่างนี้คงจะไม่เคยได้เห็นได้ยินเพราะหลวงพ่อเองก็ไม่ค่อยได้ออกมาสู่สังคม เป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพยถ้าใครไปเห็นแล้วก็อยู่ในหุบเขานานๆนนจะได้โผลมาในคราวนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะได้มาขึ้นธรรมาจแห่งนี้เพราะว่าหลวงพ่อก็มาร่วมงานวันที่ท่านมรณภาพมารดน้ำศพ จากนั้นก็คิดว่าคงจะมาวันพรุ่งนี้วันธ์ที่24วันประชุมเพลิงองค์หลวงปู่เก้าของเราแต่เมื่อวานวันก่อนก็มีพวกหมู่เพื่อนสหธรรมนิกร น, นุ่งบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อมาแสดงธรรมในคืนนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นงานจัดงานประชุมเพลิงศพใหญ่อยากจะให้ หลวงพ่อแสดงธรรมสักการหนึ่งในคืนนี้ว่างั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้คนทมนต์หลวงปูองป่อุทัยหลวงปู่อุทัยเขาขาดปากช่องมาจากปากช่องโครชท่านก็ติดธุระมาไม่ได้ท่านติดจัดงานของหลวงปู่เจียจุนโดท่านมาไม่ได้ หมูพวกพระน้องนุง่งทั้งหลายก็เล่นเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออเอาหลวงพ่อก็ยินดีสรุปแล้วคือหลวงพ่อเนี่ไก่รองบอนนะสัตยายาดโ ย, ยมนะอไก่ลองบอลเมื่อกั้เอะเพราะว่าไก่ตัวจริงมาตีไม่ได้เมื่อกี้วันนี้ก็เลยไก่ลองบ่อนก็เลยมาแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นไอ้สัตยายาดโ ย, ยม ฟังๆดูว่าเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเองก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามาสู่ชุมชนสังคมอย่างที่ว่านี่แหละวันนี้ก็ได้มาร่วมงานของหลวงปู่มีหลวงปู่เก้าแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองรู้จักหลวงปู่มีเนี่ยมานมนานก่อนที่จะรู้จักก็คือรู้จักหลวงปู่ลีก่อนเพราะว่า หลวงปูรลีนิ่งหลวงพ่อรู้จักตั้งแต่ปี2512รู้จักกับหลวงปู่และก็ท่านเองเป็นผู้นําหลวงพ่อเข้าไปวัดป่าบ้านตาดได้นั่งรถหลวงปูรีเนี่ยนะเป็นผู้พานําเข้าไปเมื่อปี2512จากนั้นเขาเข้าไปจําพรรษาอยู่ที่วัดหลวงตาปีหนึ่งถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดเขาคิดว่าปี2518 ได้มาเที่ยวตุดงในนาแวกนี้ก็ได้มาแวะเยี่ยมหลวงปู่มีของเราอยู่แต่ตามไม่จริงหลวงปู่มีของเราท่านบวชทีหลังหลวงพ่อนะถ้าจะว่าแล้วหรือท่านบวชเมื่อปายแก่แต่ท่านอายุถึงแปดสิบแปดสิบเก้าปีปีนี้แต่ท่านบวชปีสองพันห้าร้อยสิบ แต่หลวงพ่อเนี่ยบวชปี 2,508 ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงปู่มีหลวงปู่เก้าบวชทีหลังหลวงพ่อหนะลวงพ่อเนี่ยบวชปี2008แต่ถ้าจะว่าไปแล้วหลวงพ่อเป็นสัมมเนรตั้งแต่ปี 2,500 ชีวิตของหลวงพ่อนะบวชเป็นสัมมเนรตั้งแต่ปี 2,500 อายุ12ปี แล้วจากนั้นก็บวชปีศูนย์แปดก็บวชเป็นพระให้ศรัทธาญาติโยมนับนิ้วมือดูก็แล้วกันว่าปีนี้เป็นปีสองพันห้าร้ยห้าสิบเ็ดลวงพ่อได้ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาแต่อายุสิบสองปีปีนี้ก็อายุหกสิบสี่ปีฝอยนั้นศรัทธาญาติโยมฟังดยซิว่าหลวงพ่ออินมีความคิดเห็นอย่างไร ทำไมจึงฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาทำไมไม่รู้จักหาความสะดวกสบายเหมือนกับโลกเขาทั่วๆไปแต่ทำไมจึงมาอยู่อย่างนี้เป็นพระอย่างนี้การอยู่ป่าหลวงพ่อเองก็อยู่กับหลวงปู่ล่าบวชทีแรกจากนั้นอยู่กับหลวงปู่จามจากนั้นก็ขึ้นไปอยู่ที่เชียงใหม่ กับหลวงปู่แหวนจากนั้นได้กลับลงมาอีกมาจำพรรษากับหลวงปู่จามจากนั้นก็เข้ามาอยู่กับองค์หลวงตาจากนั้นก็ไปอยู่วัดป่านาคำน้อยเป็นเวลาหลายปีจนถึงบัดนี้นะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อแนะนำชีวประวัติเรว่าความเป็นมาของหลวงพ่อให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังนะพอสังเกตเอาตอนนี้ไป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 นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาอพพยากตาธรร ม, มาตีติวันนี้อาตมาภาพได้ขึ้นมาเป็นองค์แสดงธรรมตาไม่จริง อาตมาภาพเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้ขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมแต่ถึงอย่างไงก็แสดงความคิดเห็นให้แก่ศรัทธาญาโจมได้ยินได้ฟังเพราะหลักของพระพุทธศาสนามีมากมายแปด0มืนสี่พันพระธรร ม, มขันธ์สูตรแท้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนจะหยิบยื่น เรือว่าเอามาเผยแผ่ขยายผลตีแผ่ให้แก่คณะสัตว์ทา ย, ยาโยมได้ยินได้ฟังเพราะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองก็จะนำธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดหรือมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแต่ตามไม่จริงหลวงปู่ก้าวของเรา อย่างที่ท่านเห็นที่พวกเราเห็นถ้าจะว่าไปแล้วหลวงปู่เก้าเป็นตัวอย่างที่พวกเราทั้งหลายที่มางานศพของท่านในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมเพลิงคือเผาศพองท่านถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออันนั้นคือเป็นตัวอย่างเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมงาน นับแต่หลวงพ่ออินที่กำลังพูดอยู่ในขณะนี้ก็คงจะไปแนวแถวที่หลวงปู่เป็นตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเพราะนั้นเรื่องมรณะภัยคำนี้ไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดทุกคนทุกชีวิตจะต้องพบจะต้องเจอจะต้องเห็นถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าพิจารณาแบบผิวเผินก็ ความตายเป็นของธรรมดาเราพูดอย่างนั้นได้วะเรามีความเกิดแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแต่ถ้าว่าเป็นของคนอื่นเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาแต่มาเจอเข้ากับตัวของเราเราจะคิดว่าธรรมดาไม่ได้มมันทุกข์จริงๆว้าเหวจริงๆอ้างว้างจริงๆทุกข์จริง ๆ, งๆเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึง เพราะนั้นแต่เมื่อเจอกับคนอื่นเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาอย่างเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกที่พระพุทธเจ้าออกบวชก็ะเพาะเหตุไรก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเมื่อท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายท่านจะแก้ไขยังไง ท่านก็มาพิจารณาถึงตัวของท่านเองท่านก็พิจารณาถึงวงาาาศาคณาญาติปู่ญาติตายายของท่านวงานาาศาคณาญาติที่ล้มหายตายจากไปมากต่อมากแต่นี้องค์ท่านก็คงจะเหมือนกันกับพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ทิ้งสมบัติไว้ให้แกวงาาาศาคณาญาติอันนี้พระพุทธองค์ก่อนมานั่งพิจารณา ว่าการที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะหาวิธีการอย่างไรที่จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกจะมีหนทางไหมอันนี้คือสิทธะที่พระพุทธองค์ที่ออกหนีออกบวชในเมื่อสองพันหร้อยกว่าปีสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราสิทธะของเราท่านก็เป็นมนุษย์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านครองลาดถึง29ปีอายุ29ปีในช่วงนั้นจากนั้นท่านเห็นคนแก่คนเย็บคนตายแล้วท่านก็พิจารณาดูว่าจะแก้ไขยังไงจะทำยังไงจะมีวิธีการแก้ไขไหมถ้าว่าท่านอยู่ในเวียงวังท่านก็ไม่สามารถที่จะคิดสิ่งเหล่านั้นออกได้เพราะงานการบริหารจัดการในเวียงวังมีมากแต่ทีนี้ ถ้าหาว่าเราจะอยู่ตามในเวียงในวางและจะมาคิดในสิ่งเหล่านี้ไปเสื่องละเอียดอ่อนอย่างนี้คงจะไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงได้หนีออกไปบวชในเวลากลางคืนพอออกไปแล้วก็ไปอยู่ในป่าพอไปอยู่ในป่าท่านก็ไปนั่งไปคิดไปค้นคิดหาวิธีการ ลองผิดลองถูกอยู่ในป่าถึงหกปีนี่แหละอันนี้คือสิท ธ, ธิฐาพระพุทธเจ้าในขณะที่ท่านไปอยู่ในป่านั้นท่านก็ไปได้ศึกษากับลาด า, าบุตรอุตกะดาบทคือฤาษีแต่ท่านมาพิจารณาหนวลวยังไม่ใช่ทางท่านก็กลับมาพิจารณ า, นานในตัวของท่านอีกจากนั้นท่านก็ได้ พิจารณาแก้ไขเอายังไงจนถึงวันเดือนหกเพนการอดพระกยาหารก็อย่างที่พวกเราทราบกันอดพระกยาหารถึงสี่สิบเก้าวันถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติแล้วพระพุทธองค์ลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดมากมายจนบางครั้งจนพระองค์สลบถ้าไม่ฟื้นก็ว่าตาย แต่นี้พระพุทธองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อผลที่สุดวันเดือนหกเพนพระพุทธองค์ก็ล้ำลึกได้ว่าสมัยเป็นเด็กไปแลกนาขวัญกับพระบิดาท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นว่าตามลาพังพระพุทธองค์ก็ได้นั่งคัดสมาธิจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบในสมัยเป็นกุ ม, มารจากนั้นพระพุทธองค์ก็พิจารณาดูว่าอันนั้นกำลังเป็นผลทาง จากนั้นพระองค์ก็ได้นั่งขัดสมาธิในวันเดือนหกเพนวันนั้นก็นายโสธิยะนยําติอาแปะ ก, กํามือเข้ามาถวายพระ อ, องค์ท่านพระ อ, องค์ก็เกลีย์อยู่ที่โคลนต้นโพจากนั้นพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งสมาธิเมื่อไปนั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมที่นั่งฟังอยู่ที่นี่ให้ฟังเอาไว้ว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในคืนในวันเดือนหกเพตนั้นพระพุทธองค์ตัดรู้เรื่องอะไรกรรมฐานอะไรไม่ต้องสงสัยคือพระพุทธองค์กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก แต่ท่านไม่ได้บริกรรมว่าพุโทโธนะ เ, เพราะว่าท่านยังไม่ได้เป็นพุท ธ, ธะเพียงแต่พระ อ, องค์กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในวันนั้นจากนั้นจิตพระ อ, องค์เขาเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเมื่อเกิดฌานขึ้นมาพระ อ, องค์น้อมจิตพระ อ, องค์ลํำลึกชาติผนหลังได้เีว่าปุเพในวาสานุสติยาน ระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้คือจุดหนึ่งอยากจะ ก, กล่าวตักเตือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเหตุไรถ้าหาว่าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าก็คงจะระลึกชาติผลหลังไม่ได้แต่นี้พระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงลำลึกชาติในชาติ ที่แล้วเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเหมือนกับท่านเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยมาจากวัดมาจากไหนผ่านที่ไหนมาหลวงพ่อก็ระลึกย้อนหลังดูว่ามาผ่านที่ไหนบ้างวันนี้จนถึงมาจากที่วัดอันนี้ก็เหมือนกันพระพพุทธองค์ท่านก็นึกย้อนไปในอดีตชาติมีหลายพบหลายชาติ บางชาติก็สูงสูงต่ำๆ่ำล่มล่มดอนดอนเป็นสัตวติเรชานก็มีเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็มีเป็นญาติจกวณีพกก็มีเป็นสัตติเรชานนานาช น, น, น, น, น, นิดพระพุทธองค์มองดูย้อนหลังดูชีวิตของพระองค์นี่ว่าปุเพนวิวาสานุสติญาติจากนั้นพระองค์ก็นั่งทําสมาธิให้ละเอียดเข้าไปอีกพอถึงเที่ยงคืน พระพุทธองค์ได้ตัดสรุปธรรมอีกข้อหนึ่งเรื่องจุดตูปะปาตยานการจุดติของสัตวสัตว์ทางหลายสัตว์ทั้งหลายมาที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดแล้วออกจากที่นี่จะไปไหนอันนี้พระพุทธองค์ก็รู้ด้วยด้วยญาณทัศนะของพระองค์อีกสรุปแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมจะทํากรรมสิ่งไหนไว้กรรมนั้นจะเป็นผู้ให้ผล กรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมก็คือการกระทำจากนั้นพระพุทธองค์ก็นั่งภาวนาอีกจวนสว่างพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ธรรมอาสาวัคคยาญาณญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาด พระ อ, องค์จะไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอันนี้ก็คือพระ อ, องค์รู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองที่ท่านได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นคาว่าตรัสรู้ธรรมจุดจุดท้ายเนี่ยอาสาวกขย้ายยานญานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดกิเลสคือราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ได้ ใช้ตปธรรมใช้ตปธรรมคือสีนสมาธิปัญญา เ, าเข้ามากันกรองไตรตรองในพระไทยของพระองค์พระองค์รู้ได้ว่าพระไทยของพระองค์นั้นเกิดมาจากไหนใจของพระองค์เกิดมาจากไหนเกิดมาจากตัวอวิชชาอาวิชชาคือความโง่เพราะนั้นท่านจึงได้กล่าวเป็นเบื้องต้นว่า พระพุทธองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทในคืนนั้นตอนที่จะได้ตัดสรุธรรมจว่าอาวิชชาปัจจญยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจญยาวิญญาณังวิญญาณปัจจญยานามะรูปังนามะรูปสยยรัสยารถสยรัตนะพัสสะเวทนาตัญหาอุปทานพบชาติชลาเมระโศกะปริเทวทุกขโทมนัสสุคนเราที่ร้องให้พิไรรำพันทุกโศก เกิดแก่เจ็บตายนี้มาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้เพราะนั้นพระองค์ได้ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากลั่นกรองพระทัยของพระองค์ในวันนั้นจนได้ตัดสรู้ธรรมเป็นว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสาบกสาวิกาพุทธกับบริษัทสี่ของพระองค์ ให้นำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาวิเคราะห์มาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลบางคนยุคนี้สมัยนี้ก็คิดนึกเดาเอาง่ายๆว่าตายแล้วสูญตายแล้วไม่เกิดแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าพวกเราเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญสิ่งที่จะให้พิสูจน์นั้นพระองค์ทำอย่างไง วิธีการปฏิบัติที่จะรู้ว่าตายแล้วไม่สูญนัรนทำอย่างไรพระองค์ไม่สงวนลิขิตพร้อมที่จะแนะนำสั่งสอนพวกเราคือเวลาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระองค์ให้นั่งสมาธิอย่างที่พระองค์ปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับจิตใจทั้งคนและอย่างกัน ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละอันกันร่างกายกับใจนั้นอาศัยกันอยู่รูปรธรรมและนามรธรรมในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเ จ, จ้าไปวิเคราะห์ไปปฏิบัติไปทดลองอยู่ในป่าถึงหกปีพระพุทธองค์ถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วพิจารณาดูแล้วพระพุทธองค์เห็นธรรมสองอย่างเห็นเรื่องสองอย่างคือกายกับใจ กายกับใจร่างกายคือรู ป, ปรธรรมส่วนนามธรรมคือจิตใจแต่ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันอยู่เหมือนกับรถกับคนขับรถคนขับรถไม่ใช่รถรถไม่ใช่คนขับรถแต่สองอย่างอาศัยกันถ้าหาว่าคนไม่มีคนขับรถรถก็ไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนขับรถไม่มีรถก็มีแต่วิญญาณพอินั้นทั้งสองอย่างอาศัยกัน เพราะนั้นพระพุทธองค์ได้ไปแยกแยะดูแล้วว่าในร่างกายของมนุษย์มีอยู่สองอย่างคือรูปธปรรมและนามธรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนั้นให้พิจารณาให้กำหนดดูให้จิตสงบให้จิตสงบเป็นหนึ่งถ้าจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องถามใครและก็หายสงสัยอีกต่างหากเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้แต่ถ้าว่าไม่ปฏิบัติจะนึกเดาจะคาดคะเนจะประมาณการไม่ได้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธาญาติโยมที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ตั้งอกตั้งใจภาวนา เ่ภาวานาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ว่าในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็พูดวงกว้างให้กว้างขวางออกไปเพราะว่าการเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นท่านจึงว่าสําหรับครวญญาโยมท่านให้มีทานมีศีลและก็มีภาวานาทานคือรักษา ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคู่หลายคนไม่มีการเสียสละไม่มีการทําบุญให้ทานพวกเราอยู่ด้วยกันก็คงจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงว่าทานะคือการเสียสละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องมีการเสียสละมีการเฉลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้ามนุษย์ชาติของเราไม่มีการ เสลือเพล่แพรให้กันแล้วมนุษย์ชาติจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้พ่อแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สัตว์สาลาสิงที่จะอยู่กับเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่มีการเสียสละการทานะคํานี้มันมีหลายอย่างให้ทำเป็นทานก็คือการให้ให้ความรู้ความฉลาดก็คือการให้ให้อาหารการบริโภคก็คือการให้การแนะนาสั่งสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่ว ล้วนแล้วจะเป็นการให้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการให้มีหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าจะให้แต่จะตุปปัจจัยเท่านั้นชื่อว่าการให้เพราะการอนุเคราะห์สงเคราะห์ทั้งหลายคือการจัดว่าเป็นการให้การให้ทานเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันท่านจึงวันแนะนําในการเสียสละในการให้ทานศีละคือรักษาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษอย่างที่พวกเรา เมื่อจะทําพิธีกรรมก่อนหน้านี้ก่อนที่พันธพระจะสวดพระอภิธรรมพวกเราก็ได้รับศินซะก่อนสินสินห้าประการทําไมพวกเราจึงรับศินศินมีคุณค่าอย่างไรโดยมากศรัทธาญาติโยมมีภาระมากมีธุระมากที่จะรู้เรื่องของศินในรายละเอียดก็ยากเพียงแต่ว่าหนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์สองไม่ให้ขโมยทรัพย์ 3. ไม่ให้ประพฤติผิดในการมสี่ไม่ให้หมุสาข้อห้าไม่ให้ดื่มสุราเพียงแค่นี้ก็เป็นที่รู้กันแต่คุณค่าของศี น, นั้นในรายละเอียดจริงๆก็ไม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนจะอธิบายให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อเองไปนสถานที่ใดหลวงพ่อจะพูดเรื่องศีนให้แก่พวกศรัทธาญาติโยมได้ศึกษาได้ฟัง อย่างเบื้องต้นพระที่ท่านจะให้สิท่านก็ว่านะโมตัสสะซะก่อนนะนะโมตัสสะคือความหมายก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งทําไมจึงกล่าวนโมเพราะว่าศินห้าที่บัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติเป็นความคิดของใครใครเป็นต้นความคิด คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นความคิดเป็นต้นพระศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราจะรับสินเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเป็นเบื้องแรกจากนั้นเราก็กล่าวเป็นพุทธังธำมังสังคังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะเป็นที่พึ่งทําไมเราจึงนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เอง จากนั้นท่านก็นําพระธรรมคําสั่งสอนที่ท่านได้ตัดสู้รมท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงอันไหนผิดอันไหนถูกพระพุทธองค์รู้ด้วยพระทยัยอันใจใจบริสุทธิ์ของพระองค์จากนั้นก็บัญญัติพระธรรมคําสั่งสอนในเมื่อบัญญัติพระธรรมคําสั่งสอนพระสงฆ์คือสาวกผู้สดับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ได้นํามาเผยแผ่ได้นํามาขายายผลให้แก่พวกเราได้ศึกษาได้ฟัง อันนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสั่งสอนมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้พวกเราพระธรรมคําสั่งสอนข้อคงจะหมดในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ยาวยืดยาวมาถึงยุคสมัยนี้เพราะนั้นพวกเราระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีบุญคุณกับพวกเราอย่างยิ่งนี่ที่ได้นําพระธรรมมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรรระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ดูติยามปิพุทธังทำมังยืนยันเป็นครั้งที่สองตาติยามปิพุทธังทำมังสังขังเป็นยืนยันเป็นครั้งที่สามยืนยันถึงสามครั้งนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรรระเป็นที่พึ่งจากนั้นปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจงงดเว้นในการฆ่า การฆ่ากันไม่เป็นผลดีถ้าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียเขาฆ่าลูกฆ่าหลานเขาเขาก็เสียอกเสียใจแต่เขามาฆ่าเราล่ะเราจะดีใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีให้เคารพสิทธิ์กันให้เคารพกันเพราะว่าการฆ่ากันทําให้คนอื่นเขาเสียใจเดือดร้อนเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าเรามาวิเคราะห์มาพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลแล้วพระธรรมคาสั่งสอนหรือศีลพธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างมากเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าหาว่าเราไม่ชอบเขาก็คงไม่ชอบเช่นเดียวกันกันกบเราเพราะนั้นเราอย่าไปทําให้แก่เขาเราอย่าไปฆ่าเขาถ้าเราไม่ชอบว่าอยากจะให้เขามาฆ่าเราเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สอง อธินาธานาเวรมณีการขโมยของเขาเขาก็เสียใจยในเมื่อเขามาขโมยของเราเขโมยลูกหลานของเราไปเรียกค่าถ่ายอย่างนี้ เ, เราว่าอย่างไงเราเสียใจยไหมเราเสียใจยถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันดีไหมนี่แหละสินข้อที่สองพวกเราวิเคราะห์ดูซิว่ามีประโยชน์ไหมใครจะเป็นผู้รักษาสินศิลข้อที่สามกาเมสุมิชาจาราวรมณี สามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสีลข้อที่สาพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติยาละล่วงละเมิดให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราเคารพสิทธิ์กันแล้วความสงบร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมนั้นๆศ้ น, นสี่ข้อที่สี่มุสาวาเทาวรมณีการโกหกตอแหลหลอกลวงคนอื่นเขา เขาก็เสียใจถ้าเขามาโกหกตอแหลหลอกลวงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าไปโกหกเขาให้พูดตามความเป็นจริงข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราเข้าไปแล้วคนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่างเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้านในชั่วขณะเพราะมันขาดสติคนขาดสติแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ ฆ่าใครก็ได้ขโมยของใครก็ได้ประพฤติผิดในการประลาบละลวงสามีลูกหลานของใครก็ได้โกหกก็ได้เพราะฉนั้นศินข้อที่ห้าเป็นสินที่อันตรายข้อหนึ่งเมื่อขาดจติตแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผล ใช้ความคิดยืดยาวไม่เห็นแก่ตัวศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างมากแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาตัวเข้าไปใครจะเป็นยังไงก็ช่างข้อสำคัญขอให้ค่าได้เปรียบเหยียบไปหมดอย่างนี้ความเกือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมอันนี้สืสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พวกเราได้ศึกษาสาหรับ ฆราวาสญาโยมให้ศึกษาและให้ปฏิบัติอันนี้คือศีลท่าเป็นศินของสัทธายาโยมศีล ส, สำมาเอ็คือศีลสิบศีลสองรอยีิบเจ็ดคือศีลพระสงฆ์อันนี้เป็นหน้าที่ของใข่จะเป็นผู้รักษาคนเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมเป็นผู้รักษาศีลสมควรจะรักษาศีลห้าคนอื่นไม่ใช่ใช่ไหมคนหนุ่มไม่สมควรจะรักษาศีลใช่ไหม เหมือนกับกฎหมายถ้าจะว่าไปแล้สินกับกฎหมายคืออันเดียวกันคือกฎระเบียบให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความสงบพร่อมเย็นเป็นถูกถ้าว่าคนรักษากฎหมายเคารพกฎหมายประเทศชาติบ้านเมืองก็สงบพร่อมเย็นเป็นถูกถ้าว่าคนรักษาสินรักษาธร ร, รมก็สงบพร่อมเย็นเป็นถูกเส้นเดียวกันเพราะนั้นกฎหมายกับสิลเราจะไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นคือสรุปแล้วก็คือ ตั้งกฎขึ้นมาเพื่อจะให้ชุมชนสังคมอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือสินจากนั้นพระพุทธองค์สั่งสอนอีกวัด ส, สมาธิสมาธิทำยังไงสมาธิคือทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าพระพุทธองค์นั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนี่แหละ เ, เมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วจะมองเห็นในเรื่องต่างๆจะมองเห็นได้รอบตัวเห็นผิดเห็นถูกเห็นสิ่งควรไม่ควรควรคิดควรพูดควรทำเพราะเหตุใดเพราะจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเพราะนั้นทางว่าจิตของเราปุ่งฟงุ้งซ่านถ้ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นจิตใจของเราปุ่งฟงุ้งซ่านเราจะไปคิดหาเหตุและผลนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ เพราะนั้นจิตสงบนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาในมักแ8ดน่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ปวาจากัมมันตัวอาชิโววายโมสติสมาธิคือสมาธิเนี่เป็นยอดแต่ตามไม่จริงสัมมาทิฏฐิคำนี้มีหลายอย่างคือความเห็นถูกต้องในระดับมันมีหลายระดับการทามาหาเลี้ยงชีพ ไม่เบียดเบียนไม่เบียดบางคนอื่นอันนี้ก็จัดว่าเป็นสัมมาชีพเป็นความเห็นถูกในระดับหนึ่งเพราะน้ำนมีหลายระดับในมีหลายขั้นตอนแต่ในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามรแปดทั้งหลายมรเจ็ดข้อนะเป็นบริวารของสมาธิเพราะว่าส ม, มาธิติสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบดําริชอบการงานชอบ สิ่งไหนก็ตามมันเป็นบริวารของสมาธิเหมือนกับพวกเราเคยเห็นไหมเครื่องบินเครื่องบินที่มันจะขึ้นจากสนามเวลามันบินไปถึงจุดแล้วเวลามันจะกระโดดทยานขึ้นไปในอากาศมันจะต้องหยุดซะก่อนพอหยุดซะก่อนมันค่อยวิ่งออกไปทยานขึ้นในอากาศอันนี้ก็คือมันหยุดซะก่อนจิตใจของเราต้องหยุดซะก่อน หยุดนิ่งซะก่อนในเมื่อหยุดนิ่งแล้วจิตใจเป็นสมาธิจากนั้นนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรี่ในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้พิจารณาอย่างที่เนี่ยหลวงปู่ของเราหลวงปู่เก้าวของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านนอนอยู่ในที่ใช่ไหมอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะนอนอยู่เหมือนหลวงปู่เก้าวใช่ไหมก็คงใจชาย เหมือนกันอีกสักวันหนึ่งคนทั้งหลายคอจะเอาไฟเผาใส่เมรใช่ไหมก็คงจะใช่แล้วเมื่อเผาเสร็จแล้วยังเหลือแต่กระดูกใช่ไหมก็คงจะใายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่ขนาดร่างกายของตอนเองเอามาจากท้องพ่อท้องแม่มาเกิดถึงขนาดนี้ เรายังไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องตายแล้วก็เผานอนทับถมแผ่นดินไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเงินคำทรัพ์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ที่เป็นของเราเร า, าถือว่าเป็นของเรานั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรแต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ดูให้พิจารณาดู ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะไม่เป็นอย่างอื่นมันไม่เชื่อฟังมันจะต้องไหลไปไหลรื่นไปเรืเร่อยๆแต่ท้านี่คำว่าเรานะ่คือใครอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าร่างกายกับใจคนคนหนึ่งมีอยู่สองอย่างคือกายกับใจใจนั่นละคือเราแต่ส่วนร่างกายนั่นก็อย่างที่พวกเราได้อาศัย แต่ยุคนี้สมัยนี้เขาบอกว่าร่างกายก็คือสมองสิ่งที่สั่งนั่นคือสมองแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่หปีท่านบอกว่าสมองเป็นเครื่องมือของใช้ของใจใจที่เป็นนา ม, มาธรรมมาใช้สมองอีกทีหนึ่งเหมือนกับรถมีสมองกลอย่างนั้นอ่ะเออก่อนที่พวกเราจะใช้รถเราจะตัดเครื่องขึ้นมา เมื่อสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยสมองมกลมันก็เริ่มทํางานเราจะกดตัวไหนเราจะถามดูตัวไหนตาเป็นยังไงตารถ ด, ดีไหมล้อรถเป็นยังไงมันจะบอกอยู่ในสมองกลคนันนั้นเสร็จพราะรถราคาแพงจะละักษณะอย่างงา น, นเพราะนั้นสมองตัวนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเครื่องใช้ของใจใจมาใช้สมองอีกทีหนึ่งเพราะนั้นใจมากดสมองมาใช้สมอง ถ้าหากว่าสมองเสียใจตรงนั้นก็หมดปัญญาเหมือนกันใช่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะบังคับไม่ได้เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวิเคราะห์ดูแล้วร่างกายของคนเรามีอยู่สองคือกายกับใจทีนี้เมื่อเราพิจารณาว่าร่างกายสังขารถูกเผาไฟอย่างนั้นเป็นยังไง ขณะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปให้ความสำคัญว่าสิ่งภายนอกจะเป็นของเราได้หรือนี่แหละให้พิจารณาดูแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการตัดทอนเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความหลงจากจิตใจของพวกเราลงได้อย่างมากเหมือนกันเพราะว่าเราเไม่ ให้ความสำคัญแร้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องแตกต้องสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในสถานนี้เราจะต้องทำให้ดีที่สุดเราเป็นใครอย่างเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าอย่างหลวงพ่ออยู่ในสถานะอย่างนี้หลวงพ่อก็จะทำให้ดีที่สุดในสถานะนี้ในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้า เป็นลูกเป็นหลานเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นลูกศิษย์ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะศิษย์แต่ถึงยังไงภาษาใจของตอนเองให้คิดไว้อยู่เสมอว่าถึงเราจะทำดีขนาดไหนรับผิดชอบขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องทิ้งทั้งหมดเออข้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเมื่อตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าว่าเรายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะ ยังอยู่ในจิตใจของพวกเราเราจะต้องวกวนเวียนมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารได้อีกเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพุทธองค์จึงบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่ถึงยังไงพวกท่านทั้งหลายอย่าทํากรรมชั่วถ้ากรรมชั่วนั้นจะพาพวกท่านไปสู่ทุกขติแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทํากรรมดีกรรมดีนั่นแหลจะพาไปสู่สุขติเพราะฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายอยากโยมทุกๆคนเมื่อได้ยินได้ฟังแนวความคิดหละแนวธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้กันกองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลให้พิจารณาคํำว่าพุทธศาสนานสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวเชีวิตของพวกเราเนี่อีกสักวันหนึ่งต้องล้มหายตายจากแน่นอนไม่ต้องสงสัยเนี่ย เมื่อพวกเราเกิดข like uh ึ้นมายมมาโทตเขาก็เขียนวีซ่าไปแล้วนางนั้นนายนี้เกิดขึ้นมาเขาก็เขียนวีซ่าเตรียมเอาไว้วันดีคืนดีเขาก็ส่งวีซ่ามาให้เราเราได้รับวีซ่าแล้วเราก็เดินทางต่างประเทศอย่างหลวงปู่ก้าวเนี่ยท่านได้รับวีซ่าแล้วท่านจะต้องเดินทางต่างประเทศแล้ววันพวกนี้พวกเราก็ส่งขึ้นเครื่องหรือว่าไแต่ส่งขึ้นเครื่องแล้วไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว ไปได้แล้วทีนี่ไปเลยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนจะต้องเดินทางต่างประเทศแน่นอนเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทต้องเตรียมสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าว่าเรามีสเสบียงเดินทางเป็นที่อุ่นใจหรือยังแต่ถ้าว่าเรายังไม่มีเสบียงเดินทางเป็นที่อุ่นใจพวกเราก็ควรจะเตรียมเอาไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่บุญกุศลมีมากมายที่พวกเราจะต้องทำํำไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่ไหายพระสวดมนต์ก็ใช่นั่งสมาธิยิ่งเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่คือทําจิตใจให้สงบนี่แหละเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะการภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ทานก็ยินดีในการให้ทานแต่พอรักษาศีลเข้ามา รู้สึกว่าไม่สักจะสู้พอนั่งภาวนาเข้าไปไม่เอาไหนเห็นโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นยอดบุญยอดกุศลอันยอดเยี่ยมที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาท่านจะว่าเป็นแก่นเป็นหลักเป็นแก่นการภาวนานี่ยก็อย่างที่ตรวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่ากาหนดลมหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออก กำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตสงบจิตเป็นหนึ่ง เ, เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่แต่ร่างกายน้แตกตายสลายแน่แต่ส่วนจิตใจนะั้นไม่ตายไปปติสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆได้ถ้าเราทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลบญกุศลจะเกื้อขุนหนุนดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุขติ แต่ถ้าว่าพวกเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาตกไปทางต่ําเหมือนเพราะฉนั้นพวกเราอย่าทํากรรมที่มันไม่ดีอย่าทํากรรมชั่วอย่างพระุในโอวาทปฏิโมกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอากตังดุกตังเสโยปัชชาตปฏิดุ ก, กยยดตัง ก, ก, กรรมชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นในขณะที่ทํากรรมเราก็ไม่คาดคิดว่า เราจะทำกรรมคิดว่าใครจะไม่เห็นใครจะไม่รู้แต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อกรรมชั่วให้ผลเราจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วน่าศึกษาน่าฟังทั้งนั้นแล้วก็ให้ภาวนาในหลวงพอ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนา นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ยากแต่ว่าเมื่อทําจิตให้สงบจิตเป็นหนึ่งแล้วจะเป็นผลสืบเนื่องเมื่อเราเท่าแก่ชลาเราจะมีหลักยึดทางด้านจิตใจจะไม่ว้าเหวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าสึมคนที่มีจิตใจได้ภาวนาไปแล้วและลึกถึงความตายไปแล้วเ อ, อเมื่อถึงข่าวเราแล้วเหลือเราก็มีสติสัมปชัญญะเ อ, อ ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่กลัวตายพูดง่ายง่ายพะเหตุไรเพราะเราได้คิดไวแล้วเพราะร่างกายที่จะต้องแตกตายสลายเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละจะต้องมาเจอเรากับเราแน่นอนเพราะนั้นพวกเราให้พยายามทําจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้นะแล้วกับการภาวนามีการยืนเดินนั่งนอนหลวงพ่อให้วิธีการหลวงพ่อแน่นอ เวลากําหนดลมหายใจเข้าให้เรานับหนึ่งทดลองดูนะให้เรานับหนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหาย ใ, ใจออกนับสี่เรานับถึงร้อยไม่เผลอแต่ถ้าว่าเราหายใจเข้าห้าสิบสองหายใจออกห้าสิบสามแสดงว่ามันเบอร์แนละ้วมันผิดแล้วนะเพราะเหตุไรเพราะหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสอง เป็นเลขขี่เลขคู่เลขขี่เลขคู่เลขขี่จนถึงร้อยแต่ถ้าว่าพวกเราเบอร์ไปแล้วนั่นแหละมันเผลอขาดสติตั้งต้นใหม่นี่แหละอยากนี้เราก้าวเดินทีนี่เราจะเดินออกกำลังกายที่ไหนเราจะเดินออกกำลังกายเวลาก้าวขาเรากระนับหนึ่งขาขวาหนึ่งขาซ้ายสองขาขวาสามขาซ้ายสี่คือขาขวานี่เป็นเลขขี่อยู่ตลอดขาซ้ายเป็นเลขคู่ แต่ถ้าว่าเรานับผิดซ้ายเป็นเลขขี้เลขขวาเป็นเลขคู่แปลว่าสติของเราขาดแล้วเพราะนั้นให้พวกเรา ท, ทดลองดูนะยึดที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะจะมีสติจากนั้นเราจะนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกก็จะเห็นได้ชัดก็จะจับได้ขณะที่เรานั่งภาวนาอันนี้คือวิธีการที่พวกเราจะนำทำจิตให้สงบ ม, มีหลายวิธี นะมีหลายวิธีบางคนก็ยุบหนอพองหนออันนั้นไม่น่าจะปิดเพราะว่าการภาวานานั้นพระพุทธองค์ได้จัดเป็นสี่อย่างคือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันไหนก็ได้แต่นี่เราจะนำให้จิตสงบจะทำอย่างไรนะวันนี้หลวงพ่อได้แสดงทำยกบาลีเบื้องต้นว่ากุสลาธรรมมาอะกุสลาธรรมมา อัพยากรตาธรรมมากุสลาธรรมาจิตที่เป็นกุศลคิดไปในทางกุศลพูดไปในทางกุศลทําไปในทางกุศลเรียกว่ากุสลาธรรมมาอกุสลาธรรมาจิจที่คิดไปในทางอากุศลคิดเบียดเบียนคิดฆ่าคิดป้นคิดจะเอารัดเอาเปียกคิดลังแกเบียดเบียนคนอื่นอ่าล้นแล้วจะเป็นคิดจิตเป็นอกุศล เรว่าอากุศลาธรรมาพูดออกไปก็เป็นอกุศลทำออกไปก็เป็นอากุศลแล้วว่าอากุศลาธรรมาอัพพยากะตาธรรมาจิตเป็นกลางกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่อันนี้เป็นมีส่วนน้อยในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากมันจะไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งกุศลและอกุศลจะมากกว่าเพราะนั้นในพระอภิธรรมที่ พวกเราสวดหรือว่าพวกเราได้ศึกษานี้พระพทุทธองค์ได้ไปโปรดพระมารดาอยู่ชั้นดาวดึงโยมมารดาของพระองค์เกิดอยู่ในชั้นจุสิทธิ์เป็นเทวบุตรจากนั้นพระุทธองค์ได้ขึ้นไปโปรดมารดาสามเรือนอยู่ในชั้นดาวดึงสวรรค์นี่พระพุทธองค์ได้โปรดเรื่องอภิธรรมนี่แหละเรื่องของจิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของแนวความนึกคิดของจิตใจเรื่องอภะอ ภ, ภิธรรมทั้งหมดนี่คือเรื่องของจิตใจ แต่จากนั้นแต่ท่านสอนมนุษย์เนี่ท่านสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่สำหรับท่านสอนเทวดาโดยมากท่านจะพระพุทธองค์ได้เทศเรื่องอภิธรรมแนะนำสั่งสอนเทวบุตรเทวดาเพราะเทียวบูตรเทวดากายของท่านละเอียดกายของท่านเป็นทิพย์แต่พวกเราท่านทั้งหลายกายหยาบมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของหยา พระพุทธองค์จึงได้สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติกําหนดจิตกําหนดใจอย่างไรนะวันนี้อาตมาภาพเร่แสดงธรรมเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองศรัทธาญาติโยม ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการเทิน